ทุกท่านนะทั้งผู้ใหญ่ก็ตก้เด็ด้วยที่ไม่กี่สัก2อาทิตย์เท่านั้นนะเราก็จะเข้าปีใหม่นะนะซึ่งหมายถึงว่าปีเกา่าปีนี้ก็จะเริ่มเป็นปีเกา่าและชีวิตของเราในปีนี้ก็จะกลายเป็นชีวิตของปีเกา่า ตลอดที่ว่าก่อนที่จะถึงปีใหม่ก็น่าจะเด็นโการดีให้เราได้ทบทวนชีวิต ท, ท, ที่ผ่านมาของเราจริงยูเมื่อขึ้นปีใหมแ่แล้วเนี่ยเราก็ควรจะมองไปข้างหน้าแต่ว่าเราจะมองไปข้างหน้าได้ดีก็ต้อง อ, อสาสัยประสบการณ์จากข้างหลัง หรือจากปีเก่าเนนะเพื่อเป็นเป็นเครื่องคํำจุนให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ดีมันเลยกับเวลาเราจะยินทนนะูการที่ทนูเนี่ยจะคู้ไปข้างหน้าได้ตรงได้แรงแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอูกว่าเราน้าว สายธนูไปข้างหลังได้ไกลแค่ไหนถ้าเราเน้าสายธนูประเทศไกลเน้าไปข้างหลังได้ไกลลูกธนูจะพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วแล้วก็แรงการชีเราก็จะเป็นลูกธนูที่เตรียมนะเตรียมที่จะพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่าก็ควรยึดเที่ต้อง ถอยหลังถอยหลในที่นี้ก็คือหันมาดูว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเป็นอยา่งางไรอธิบายที่ว่าเราว่างๆก็ลองให้เวลากับการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ลองให้คะแนนดูสมมุติว่ามันมีอยู่ห้าห้าคะแนน 5นี่คือสุขที่สุดสุกส่วน4นี่ก็สุขเฉยๆสุขธรรมดา3นี่ก็เรียกว่าพอดีพอดีหรือเฉยๆฉนะสนี่ก็ทุกแล้วก็1ทุกมากหนึ่ทุกมาก2ทุกธรรมดา3าเฉยเฉสี่สุข5สุขมาก ลองลองให้คะแนนให้คนานกับชีวิตของเราในช่วงปีที่ผ่านมาหรืออาจจะถอยหลังไปหลายๆปีก็ได้ห้าปีหรือสิบปีก็ได้อัตมาเคยทำกิจกรรมให้ ให้ผู้ร่วมเนี่ยนะเขาลองทำกราฟชีวิตทำกราฟชีวของเขาในรอบส0ปีที่ผ่านมาแล้วก็ให้คะแนนนะความสุขความทุกข์ของตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยพบว่า หลายคนเนี่ยนะเขามักจะมองว่าชีวิตที่ผ่านน้องเขาเนี่นะมีความทุกข์มากกว่ความสุขนะเพราะว่าเส้นกลางของเขาเนี่ยก็จะอยู่ตรงเนี่ยหกับ2กับ3อาจจะมี4บ้างนะแต่ว่าก็มักจะพุ่งกปิ้งคาวนี้แหละสาม หลายคนก็บอกด้วว่าเนี่ยมันนึกยากนะหเหตุการณ์ที่เป็นความสุขในชีวิตแต่ว่าถ้านึกถึงเหตุการณ์ที่มันเป็นความทุกข์นี่ น, นึกง่ายเหลเกินแล้วพวกเราเป็นอย่างนี้หรือบ้างกรือล่าทำไมความสุขเนี่ยมันถึงนึกยาก แต่ว่าความคิดนี้ลึก ง, ง่ายมันเป็นอันเดียวกับมันเป็นเหตุผลเดียวกับที่หลายๆคนมันกจะบอกว่าเวลาใครด่าเนี่ยมันแม่นเลยแต่เวลาใครชมนี่จำไม่ได้คนที่ด่าวเนี่ยจำแม่น ติมใจมากเลยบางทีโผล่แม้ในความฝันแต่ในความฝันเนี่ยมเราเคยฝันถึงคนที่เขาชมเราบ้างหรอเ่าไม่ค่อยมีน ะ, ะส่วนใหญ่นีก็จะฝันแต่เรื่องที่มันร้ายๆในชีวิตแล้วก็เก็บเอาไปฝันความสูญเสีเยความพัดพรารความเศร้าความโกรธ ทำไมมังเป็นอย่างนั้นทำไมมังเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าชีวิตของเรานี่มันไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีด้านที่ดีๆเลยหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดถึงมักหรือว่าไม่ค่อยออไม่ค่อยประทับกับสิ่ง น, นั้นมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเราจมาเชื่อตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเวลาผู้คนมองชีวิตของตัวที่ผ่านมาเรามักมีความน้มเอียงที่จะมองนะมองประสบการณ์ของเราในอดีเนี่ยไปในไปในไปในแง่หนึ่งที่มันเป็นลบหรือที่ไม่สมหวัง อาตมาชอบวิวอย่างของครูคนหนึ่งที่เข า, าเคยทดสอบนักเรียนของตัววิธีการง่ายๆคือชูแผ่นกระดาษสีขาวเนี่ยให้กับนักเรียนแต่ว่าตรงแผ่นกระดาษเนี่ยตรงมุมขวาเนี่ยมันมีการกรบ้ แล้วก็ถามว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนทั้งชั้นเนี่ยบอกว่าเห็นกากระบาทสีดำครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยในชื่อของคนเราเนี่ยอาจจะมีกากระบาดอยู่บนถ้าช่วยลเปี่ยนเสมอกระดาษสีขาวเนี่ย ถ้าชนคนเราเมี่เหมือนกระดาษสีขาวเเราอาจจะมีกระบาอยู่บนแผ่นสีขาวเนี่ยอยู่หลายอยู่หลาจุดซึ่งก็ธรรมดาแต่ถึงแม้ว่าจะมีกระบาอยู่ห้าอันสิบอันน่ยัยงไงยังไงให้พื้นที่สีขาวมันก็มากกว่าพื้นที่สีดำนะฮะแต่ว่าเรามักจก คนส่วนใจมักจะไปจอยตรงไอ้กาตบาหรือพื้นที่สีดงซึ่งมันเล็กๆอันนี้อาจจะเป็นเป็นคำตอบได้บ้างหรือเปล่าว่าทำไมทุกวันนี้เนี่ยทั้งๆ ท, ที่คนเรามีได้ประสบ เ, เรียกว่ามีชีวิตที่สุขสบาย ได้ประสบสัมผัสกับสิ่งที่น่าอภิรมน่าชื่นชมมากกว่าคนสมัยก่อนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอาจจะต้องทำมาหากินอาจจะไม่ค่อยจะมีเวลาไปเที่ยวโทรทัศน์ก็ไม่มีดูไม่มีโอกาสที่จะเห็นอะไรที่สวยๆเงางามในต่างประเทศเมื่อคนรุ่นนี้ แล้วก็ลูกๆของเราก็จะได้พบทานพบสิ่งดีๆประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าพิลรมมากกว่าเราแต่ทำไมผู้คนเนี่ยถึงรู้สึกว่าหาความสุขได้ยากเหลือเกินอันนี้ไม่ได้พูดเราเองนะแต่ว่าจากสถิติจากการสำรวจความเห็น ท้งที่เมืองไทยทั้งที่เมืองนอกเนี่ยกี่เนี่ยผู้คนก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลยชทั้าที่ชีวิตสะุวกสบายมากขึ้นทั้งที่มีเงินมีท้องมากขึ้ น, ท, นทั้งที่มีบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมมีรถมากมีรถหลายคันนะชีวิตนี้แทบจะไม่ได้ไม่ได้รู้จักความยากลำบากเลย แต่ทำไมผู้คนก็กลับรู้สึกว่าความสุขไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแล้วก็จำนวนคนที่รู้สึกว่าความสุขมันลดลงหรือมีความทุกข์เพิ่ขึ้นก็กลับเพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นเพราะว่าความสุขคนเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมคงอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรามีสิ่ง อาโดยความสะดวกแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพามพบอะไรที่น่าอภิรม ห, หรือว่าสิ่งดีๆในชีวิตแต่จริงๆแล้วอาจจะอยู่ที่ใจของเราก็ได้พวกเรานี่พวกมีผมรู้จักการ์ตูนกีนัทชาริบราสโนุกพี่ รู้จักไหมมีใครรู้จักบ้างชารีบราสนปี้รุ่นรุ่นลน่าจะรู้จักเลยเพราะพวกเราเติบเป็นเด็กแต่เด็กสมัยนี้ไม่ทราบรู้จักเ่ารชาีบราสนปี้รู้จักมแกนจว่าชารีบราสนปี้การ์ตูนหลายๆช่องคนเขียนชื่อชูชาู อาจารย์ชที่ก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อมากเขาเพิ่งตายไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเวลาเขาให้สัมภาษณ์ในสุดที่เนี่ยเขามักจะพูดถึงชีวิตใบเของเขาว่าเป็นชีวิตที่ลมเหลวเป็นเป็นลูกไล่ของใครต่อใครมากมายเป็นเป็นชื่อสบายเด็กไปคิดเป็นที่ที่น่าเบื่อแล้วลเขารู้สึกขมคือกับชื่อของเขาแม้กระทั่งเวลาจบแม้กระทั่งเวลาเรียนมัธยมที่เรียนไฮสคูลเนี่ย ก็ไม่มีความสุขถูกแกล้งไม่่ถูกแกล้งด้วยแกล้งนเล่นแต่ว่าแกล้งด้วยการใช้กำลังนะไปกีบใครก็ไม่มีเงาทำแลนดไม่ดีสักอย่างเรียกว่าเป็นบอลลูเซอร์คือแพ้ตลอดนะแล้วก็พูดมีอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่า เมื่อเร่องนี้เนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยขาเป็นนักเขียนเราก็ไปทำการสอบถามเพื่อนของชูสเนี่ยรือทั้งครูเก่าๆซึ่งคงแก่มากแนละ้วปรากฏว่าภาพที่เพื่อนพูดถึงชีวิตในบัยเดของชู้เนมันมันแทบจะตรงข้ามกับกับสิ่งที่ชูเนพูดเลย เือบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเขานะเพราะนึกไม่ออกว่าหลายคนบอกตรงนี้ น, นึกไม่ออกว่าชูเนีเคยถูกแกล้งถูกเพื่อนแกล้งที่ไหนบ้างนึกไม่ออกครูก็บอกว่าชีเขาเขาก็เป็นคนที่มีศิละปะมีหัวในทางศิละปะมีหัวในทางวาภาพมาตั้งแต่เล็กคือในสายตาของของครูของเพื่อ น, น ช, ชื่อย่างชูฉันก็คือยิ่งของเด็กธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้ขมขืนลําบากอะไรเลย นะความสามารถของเขาก็เป็นที่ยอมรับนะแต่ว่าชูสเนี่ยนะเขาเขาจะไม่ได้มองอย่านงะ้เขาจะเขาจะมองชีวิตวัยเด็กให้เป็นชีวิตที่หมดหมอกมากนะซึ่งถ้าอัตมาธิบา ย, ยก็อธิบา ย, ยนะง่ายๆว่าชีวิตของเขาเนี่ก็เหมือนกับปกติแต่ว่า ที่คนเราก็ธรรมดาก็คือมีสุกเพื่อนแกล้งบ้างแต่ว่าก็จะมีได้สนุกสนานกับเพื่อนบ้างทื่คนเรานี่ก็มีทั้งมีทั้งที่ไม่ดีแล้วก็มีทั้งที่น่ารื่นรมนะแต่ว่าชูเนี่ยก็ไปปักใจฝังแน่นกับประสบการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ไเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยเพื่อนแกล้งทนายก็โดนเพื่อนแกล้งอัตมโดนเพื่อนแกล้งแต่เราไปแกล้งเขาก็เยอะนะครับ แล้วเพื่อนที่ดีกับเราเราก็มีไม่รู้สึกว่าก็เลยไม่รู้สึกว่ า, าการที่เราถือเพื่อนกันกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยในชีวิตเพราะหมอเป็นเรื่องธรรมาดาแต่ชูใช่ไหมก็จะจะปักใจฝังแน่นกับเรื่องพวกนี้ก็จาได้เพื่อนเนี่ยเขาดั้งอยู่จรินช้าแล้วเพื่อนไม่เพื่อนเรื่องที่ตัวโตวตบเขาให้ให้ให้ให้ลมหล่นะเพื่อที่จะมาแยกแย่ ง, ยงชินช้า ก็าฝังท่าเลยแล้วก็บอกว่าตัวเราท่านตายเนี่ยคือ77ตอนที่เรียนตายเนี่ยเขาก็ยังยังพูดถึงเรื่องความสุขผมคือในวนัยเด็กและมีความสุขอยากจะแก้แค้นเพื่อหลังนั้นแล้วชีวิตเขาเลยไม่มีความสุขเลยนะฮะวันวันทั น, นมูรเนี่ยซึ่งได้เป็นวันที่มีความสุขเขาก็พูดกับกับกัภรรยาเขาว่าชีวินี้คงจะ ไม่มีโอกาสมีความสิขกัเขาหรอกแล้เป็นที่แปรคือว่าเมื่อเขาเมื่อเขาเริ่มมาเขียนกระตูนเนี่ยทีนั้นเนมือเ่อยุประมาณยี่สกว่าแล้วเขาก็มีชื่อเสียงรวด เ, เร็วแล้วเขาก็มีชื่อเสียงมาตลอดนะกระตูตนทีนัทเป็นที่นิยมทั่วโลกมาตลอดห้สิปีจนปัจบันนี้ก็ยังจริงเังมีการ ก็งเป็นที่นิยมอาตมาก็ได้รับมีคนส่งตะกรุดพินลัดมาให้เป็นปฏิทินอยู่อยู่เรื่อยๆ50ปีที่เขมีชื่อเสียงทั่วโลก50ปีที่เขเป็นที่ยอมรับ50ปีที่เขมีเงินมีทองมากมายแต่มันไม่สามารถจะปบไอดความรู้สึกที่ไม่ดีประสบการณ์ที่ไม่ดีในวัยเด็กเพียงแค่ไม่กี่ปีได้เขาเลียกร้องอยากเป็นที่ยอมรับให้เพื่อนๆยอมรับในความสามารถ เขาโกรดไปแล้วเขาเขียนเขียนเขียนวาดภาพเพื่อที่จะส่งหนังสือส่งส่งพินในหนังสือหนังสือรุ่นของของของโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้การตีพิมก็ก็ฝังใจอย่างนี้จนกระทั่งว่าแม้กระทเขาเป็นนักนักนักการ์ตูนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ยังไม่เรียนประสบการณ์ ท, ทั้งที่ไอความความสวยเขาเนี่ยมันมีมหาความล้เหลือ ความสุขของเขาดีาามากเขาเลยทั้งใแง่ของจำนวนปีทั้งใแง่ของความเข้มข้นผมเป็นตันเบิร์นเป็นนักเนนกขียนที่มีชื่อเสียงทุกคนไปที่ไหนใครก็รู้จักแต่ว่าเขาไม่มีความสุขเลยตลอดตลอดชีวิตของเขานคนที่มีเงินมีชื่อเสียงมากมายว่าประตูที่ใสซื่อเดคอ โดยเฉา ะ, ะสนุก ป, ปี้หรือว่าตัวชารีบราลเนี่ยคือตะมายกตัวอย่างของชูซี่พิมาเนเพื่อที่เห็นว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณได้พบอะไรในชีวิตแต่มันอยู่ที่คุณเลือกที่จะจดจำคุณเลือกที่จะจดจำกับเรื่องอะไรมากกว่า คุณอา จ, จะประสบความสำเรในชีวิตมากมายจะประสบกับสิท่งดีๆในชีวิตมากมายมีข้าวมีของมีความสุขต่งตางๆในทางกายภาพมากมายมีคนชมมากมายไปที่ไหนใค ร, ใค ร, ใค ร, ใครๆก็ยึกย่องแต่ถ้าคุณเลือกไปปักใจอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ถูกใจเพียงแค่ม่กี่อย่างในชีวิตก็ทําให้คุณกลายเป็นความทุกข์ไปได้ตลอด เรความทุกข์เนี่ยมันความสุขหรือความทุกข์ที่มันขึนอยู่บมุมมอง ม, ม, อมากนะคนเราคิดว่าความสุขต้องอยู่ที่การมีการได้ต้องมีเงินต้องมีชื่อเสียงต้องมีอำนาจมีตำแหน่งสูงๆมีรถยนต์มีเพชรมีพลอยแต่สิ่งเหล่านี้นี่มันมันไม่ทําให้คุณมีความสุขได้เลยถ้าใจคุณเนี่ยวางไว้ผิดหรือมองในมุมที่ผิด ผิดในที่นี้ไม่ได้เปนเรื่ผิดบาปนะครแต่หมายถึงว่ามันไม่เอืึอต่อการทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขคือมองไม่ถูกทางเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องหานะเป็นเรามองให้เห็นก็พอความสุขไม่ใช่เรื่องที่ต้องหานะฮะแต่ความสุขเป็นเรื่องที่ต้องมองให้เห็นมันต่างกันนะ หาที่มันต้องมันต้องวิ่งต้องโดนยต้องต้องไปดิ้นรนไปไปกุดคุ้ยอะไรมาบาง น, นีต้องไปแย่งขึ้นมาแต่จร่งความสริงจะเป็นจริงแค่สิ่งที่ต้องมองให้เห็ น, นเทนี้หมายถึงว่ามันมีรอบตัวแล้วคุณไม่ต้องหามันมีรอบตัวแล้วตรงที่อยู่ต่อหน้าบางทีอยู่ตอนหน้าแต่คุณมองไม่เห็นต้องคุณมองก้มพื้นนะฮะคือเราจะก้มพื้น มองกลมคือคึนก็ไม่เห็นะแล้วคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะฮะความสุขอยู่ตอนหน้าแต่หมอไม่เห็นเพราะมองกลมคือน ห, หรือเพียงแต่ว่ามองเงนยหน้าขึ้นมองมองนิดหน่อยก็จะเห็นก็จะเห็นได้อตัตมาเพื่อพาพานักเรียนแล้วก็พา พระพาะแม่ชีไปเดินธรรมยาตรานะ7วันนะเดินกางแดดลงนำลงเรื่องสิ่งวัดล้อที่ชัยภนะูก็มีนักเรียนจากหลายแห่งทั้งในโรงเรียนใกล้ๆวัดแล้วก็จากโร ง, งเรียนรุ่งกระดุนนักเรียนม .4 ก็ไปเดินเป็นปีที่4แล้ว เดินเนี่ยนะเรียกว่าตากแดดเรียกว่าทั้งวันเลยแล้วก็นอนการที่กินการใส่คือไปถึงที่ไหนจะนอนที่นั่นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวันหลายคนเนี่ยทั้งชีวิตไม่เคยเดินสิบกิโลในหนึ่งวันซึ่งไม่ใช่เป็นเป็นระยะทางที่ไกลเทา่านหร่แล้วก็บ่อยครั้งต้องเดินอยู่บนทางลุกหลั หลายคนรู้สึกเหนื่อยเหนื่อย น, อยเ น, อยนะเวลาเดินไปทางลุกลาเนี่ยมันข้างหลอดตัวนี้ก็มันแห้งเลยา่าแห้งต้นไม้เอะไปได้ฝุ่นนะแต่แล้วมาก็บางครั้งก็จะแนะนาว่าเวลาเดินเนี่ยนะอย่าไปเดินกนน้นหน้ามันดีเพราะถ้าเดินกนน้นหน้าคุก็เห็นแต่ฝุ่นเห็นแต่ทางที่มันแตกแห้ง ลองคุณมองไปข้างหน้าเงเงินไปนิดหน่อยสิที่คุณเห็นคืออะไรสิที่คือท้องฟ้าที่เขียวครานะบางทีก็มีเมฆเบาๆ อ, อ, อยมันต่างกัอนอย่างชัดเจนเลยเพียงแต่ว่าเราเงยหน้าขึ้นมาจากที่เคยเห็นทางลูกลังเป็นฝุน่นแดงแตกระแหงซึ่งชวนให้ใจเน่ยนะน มันหมดมองแต่พอคุณมองนะมองไปเกิการเรื่อเงินหน้าณึ้มาดีหน่อยเห็นท้องฟ้าสีครามสวยเห็นเมฆเบาวใจมุ่สิ่งมจะเบาไปด้วยความสุขมันต่างกันเลยนะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนมุมมอง <c oughs> แล้วก็หลายคนนะฮะ <c oughs> ได้พบเลยว่าไอการเดินนี่ยเอาความจริงนะ มันก็สนุกแล้วก็มีความสุขด้วยถ้าหน้าที่ไม่ได้มีกินไม่ได้มีไอ้กินกินไม่ได้มีน้าอัดลมนะไม่มีโทรทัศน์ดูไม่มีดีวีไม่มีโทรศัพท์มื DVD, มมอถือคุณครูนี่เขาเขาบอกนักนักเรียนเลยว่าเอาโทรศัพท์มาแต่อย่าอใช้นะถ้าอยากใช้ก็ของนุ่ยากที่นักเรียนก็ปฏิบัติตามเราสองสามวันแรกไม่เลย แต่ว่าพอวันที่สาวันที่4ี่วันที้าเริ่สนุกแล้วก็เริ่มมีความสุขกินอาหารที่เขาเริ่มมานอร่อยนะกินน้ําเปล่าก็มีความสุขมันจะไม่สุขในที่งานเพราะเหนืยเหนื่อยกินน้าเปล่าก็ก็อร่อยแล้วแต่ก่อนนี่ น, ะน้ำเปล่ากินไม่ได้ต้องกินน้ำแข็งต้องกินน้าอัดลมต้องแช่ตูเ้เย็นเยอะมีไอติมของชาวบ้านเอามาขายยี่ห้ออะไรไม่เคยได้ยินแต่กินแล้วนี่อร่อย แต่ก่อนนี่กินกระตุกกระตุกกินไอติมโฟโมอสยังไม่กินเลยต้องกินส่วนเสร็จกินฮา ก, กนดาใช่มโฟโมอสนี่เหมือนแต่นี่อไอติมอร่อยไอติมโนเนมก็กินแล้วอร่อยการเป็นคนการคนที่มีความสุขง้าสุขง้าคือกินอะไรก็อร่อยแดดร้อนก็ยังมีความสุขพอได้เดินกับเพื่อนๆแต่นดี๋นี้ละการเป็นคนที่มีความสุขยากนะ เดยวเราเป็นคนที่มีความสุดยากทั้งที่เรามีสิ่งทุกอย่างรอบตัวนะกินอะไรก็ไม่อร่อยนะต้องไปกินเหลานะหรือว่ามีกินมีที่นอนนันแสนสบายกนะ็ยไม่มีความสุขเพราะว่าเด็กอยากจะได้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ราคาเป็นหมื่นไอประเภทพัน0้าสองี่ใช้ไม่เป็นใช้ละอายเขาก็มีความทุกข์หรือได้คอมพิวเตอร์มาก็ไม่มีความสุขเพราะมันช้าที่จริงไม่ได้ช้าเมา้งแต่เพียงแค่คอมพิวเตอรม์มันไม่เร็วกว่าที่เ ร, เราคิดเนี่ยเด็กก็งงกินละผู้ใหญ่ก็งงกินเหมือ น, นกันนั่งรถอย่างดีติดแอรมา แต่ว่าพอรถติดท่านั้นเจอไฟจราจรสีแดงก็หมดมีด ล, ละแต่เราสังเกตอนี้ี่เราเราเราเหมือนจะไม่เรามีความติดกับเรื่องเลยเลยนอนอที่จอดรถเม่ดเจอเพื่อไมมาทางนัดคอมพิวเตอร์เั็นช้าหน้ามีสิวผมแตกลางเนี่ยแล้วมีความทุกแค่ไห น, น เพรดะเป็นเรื่องจิ๊จ้ยมากแต่ที่มันการทํานทำให้เ ร, เรามีความทุกข์ราตอนว่าสมัยนี้เราเป็นคนที่สุขยากเราเป็นคนที่สุกยากถ้าเมื่อไรเราเป็นคนที่สุขง่ายเนี่ยชีวิตจะเบามากเลยสามารถที่จะแสวงหาความสุขได้ในทุกที่ในเด็กเกเนี่ยที่ไปเดินทเมียนตังเนี่ยเขาบอกเล เพียแค่ได้ได้ผ่านหรือได้อยู่ในร่มไม้ก็มีความสุขแลวแต่ก่อนอยู่ในห้องแอร์อย่ี้ยังไม่มีความสุขเลยนะฟังเพลงมีทุกอย่างก็มีความสุขแต่ว่าพอไปเจอแมงตานี่เจอร่มไม้ก็มีความสุขนะเจอลมพัดมาเบๆาๆแณะที่เดินกลางเนี่ยก็มีความสุขนะเพราะว่า ถ้ามีลมนี่ร้อนเดินแบบกลางแดดไปเจอร่มเงาเย็นๆนี่สบายแล้วเขาก็เลยพบแล้ว่าความสิขเป็นปัญหาง่ายนะความสุขปัญหาง่ายแต่เป็นที่ใจเราอยู่ที่ความคาดหวังของเราอยูนะ่กลางแบบนะดงแบบนะดอยู่ความจ้าลำบากความคาดหวังของเรามันก็จะไม่มีอะไรมาก ก็เป็นแต่ว่าเออนะเมื่อไรจะได้ผ่านลมห น, ตนมาต้นไมนะ้เมื่อไรจะมีลมเย็นเย็นเมื่อไรจะมีชาวบ้านเขาเอาน้ำมาให้เราดื่มนะซึ่งก็หาไม่ยากหรือว่าหลายคนก็บอกว่าเพียงแค่เหนชาวบ้านเาเอาน้ามาให้ก็มีความสุขแลรู้สึกปลื้มรู้สึกปลื้ตื้นตันควนะามสุขการเป็นเรื่องที่หาง่ายเมือ่อ ใจเราเนี่ยวางไม่ถูกหรือเมื่อเราหรือเมื่อหรือเมื่อเราสามารถที่จปรับใจของเราเนี่ยให้มันพอดีพอดีได้และจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าความสุขไม่ใช่เรื่องที่ต้องหาแต่ต้องมองให้เห็นเพราะความสุขเนี่ยมันมีมันมีอยู่แล้วมันอยู่กับตัวเรา คามชอยู่กับแล้วอยู่กับเราแล้วในปัจจุบันาการที่เรามีกินาการที่เราได้กินอิ่มนอนอุ่นาการที่เราได้มีสุขภาพดีไม่สามารถที่จะทําอะไรตามใจเมื่พลิกงานไม่เป็นธรรมพริธารรมภาพไม่มีโรคร้ายนะมารังความาการที่เราได้อยู่กับครอบครที่เป็นรูกได้มีได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควก็เป็นความสุข แต่ว่าคนเราเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่เท่าไหร่เราไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราให้ความสําคัญหนึ่งสิ่งที่เรายังไม่มีสองสิ่งที่เราเคยมีแต่หายไปแล้วลหรือมว่ามันุจากมีอไปแล้วลองสังเกตนะฮะ ทีเตียม ง, งานของเท่าของเท่าของไม่ว่าคุณจะมีเสื้อผ้าจะมีข้าวของกี่ชิ้นก็ตามเ่ไอสิ่งนั้นจะมีความหมายเท่ากับของชิ้นใหม่ที่เขาวางขายซีดีแผ่นใหม่หนังสือเล่มใหม่เสื้อผ้าตัวใหม่ หรือว่าจานชามชุดหม่อยากได้เห็นแล้วอยากได้พอได้มาแล้วก็มีความสุขดีใจนะแต่พอมันอยู่กับเราไปได้สักทักเดือนสองเดือนบางคนอาจจะแค่อาทิตย์เดียวสเสน่มันก็จืดซะนล้วนะ นะมีมีหมอคนนึงเนี่ยแกไปซื้อเขาเรียกว่า T A D ใช่ไหมปาลมปาล์มสองหมื่นกว่าบาทตอนที่ซื้อมาเนี่ยนะมมหนักดื้อมากพวกมันทันสมัยมากรุ่นใหม่มากนะแต่พอมาซื้อไปแค่เดือน2เดือนเฉยนะเฉยแนะกไมก็เห็นทวามสำคัญเลยนะ เสร็จแล้วพอมันหายขึ้นมาโอโ้เสียดายมากเลยนะเสียดายมากเลยจะสกเกต น, นะครับความสวงของของกุมเหานี้เนี่ยมีอยู่สองช่วงคือหนึ่งตอนที่เห็นของใหม่แล้วก็อยากได้แล้วก็ได้มามีความสุขแต่พอได้มาแล้วเป็นของเรานะเฉยทำไมมึงฆ่าไวทีก็ตอนที่มันหาย ถ้าคนเราเนี่ยสิ่งที่เรามีเป็นอยู่เนี่ยเ ร, เ, มมนะเราไม่ให้ความสําคัญนะเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราไม่มีซึ่งาทางตัวเรือกคืออนาคตหรือไม่ก็อะไรที่ตกรตอนที่มันหายตอนที่มันการอดีตไปแล้วทําไมนะทำไมเราถึงเลือกที่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอนาคตหรือกับสิ่งที่ ทำไมเราถึงเลไปให้ความสำคัญกับสิ่ที่เป็นอดีตกับอนาคตแต่เราไม่ให้ความสำคักับสิ่งที่เป็นปัจจุบันบางถ้าเรามีเวลาหามาชื่นชมกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันบางทีชีวิตเราก็จะมีมีสีสันมีความมีความสดชื่นเยอะแต่ทุกวันที่เราเราเราเราเราไปเอาเราคิดว่าสีสันบางนี้ต้องได้มาจากการที่ได้มีอะไรใหม่ๆต้องมีอะไรใหม่ๆเรื่อย แต่พอได้มาแล้วมันก็เกิดจางบาเหตุผลค่าจึง็ตอนที่มันหายสุขภาพก็เหมือนกันฝังเกตนะตอนที่เรามีสุขภาพดีเราไม่ต้องสนใจวัาแม่พินค่าวจะซ้ำใจเรานึกไปถึงอย่างอื่นนึกไปถึงเรื่องงานการงานตำแหน่งข่าวของที่ยังไม่มี เราไม่รู้สึกว่าการมีการที่เรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยคือความสุขเป็นเป็นโชคประเสริฐเลยเรามีความทุกข์เพราะว่าเรายังไม่ได้นะลดยนต์คันใหมนะ่ยังไม่ได้ตำแหน่งใหม่หรือว่าไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานทุกทุกคนหรือว่าเพื่อชมเราไม่พอ แต่พอเราป่วยถึงตอนนั้นเนี่ยเราถึงมาเห็นคุณค่าของสุขภาพดีทําไมเราต้องมาเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีต่อเมื่อมันหายไปต่อเมื่อมันมันเป็นอนดีตไปแล้วเรามักจะทราบซึ้งกับสิ่งใดก็ตามเนี่ยตอเมื่อมันกลายเด็นอดีตไปแล้วแม้กระทั่งคนด้วยนะอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้ององเราหรือเพื่อนของเรา ตอนนี้เขาอยู่กับเแล้วไม่เคยสวนานั่นคือเป็นช่วงที่มีความสุขของชีวิตการที่เขาได้อยู่กับเราได้โบลรอายินแยงให้ซึมใจแล้วกันเราไม่รู้สึกไม่ได้ชื่นชมกับขนาดชีวิตในในตอนนั้นเลยแต่เรามานึกเสียดานเมื่อเขาไปแล้วเมื่อเขาเสียไปแล้วเมื่อเขาจากาไปแล้วเมื่อเขาทิ้งมาไปแล้ว ทำไมเราต้องมาเห็นคุณค่าต่อเมื่อเหมนกันอดีตไปแล้วทําไมเราไม่เห็นคุณค่าเมื่อมันยัเป็นปัจจุบันอยู่นะและนี่คือปัญหาของมนุษย์เราส่วนใหญ่คือว่าความทุกข์คนละใส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เกิดจากที่เราไม่สามารถที่จะชื่นชมหรือไม่รู้จักชื่นชมสิ่งทโ่รีเป็นอยู่ได้ไม่ว่ารูปธรรมหรือนานนมธรรมนี่จะมาคือว่า ถ้าเราเนี่ยหันมาชื่นชมกับสิ่งที่เรามีเป็นอยู่เสีเยบ้างนะเราจะมีโพตีไายกับชะตากรรคิดน้อยลงอันนี้แหละที่ก็เรียกว่าชีพพอเพียง ที่พอเป็นคือชีที่ชื่นชมกับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่จนกทั่งเราไม่รู้สึกไม่สุกโหยหาสิ่งที่เรายังไ ม, มีแต่ถ้าว่าเราไม่สามารถที่ชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ได้แล้วก็จะโหยหาสิ่งที่เรายังไม่มีไปห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวห้าทีไรไอ้ของที่ก่ออก ข, ขายเตะตาเราตลอดเวลา ถ้าหนังที่เรามีแล้วมากมายและเราไม่รู้ด้วยนะว่าความอยากของเราเนี่ยมันมีมากแค่ไหนเวลาเราไปเที่ยวของเที่ยวห้าคุ่นี้อาตมาเคยนะฮะจัดอบรมเนื้อต้นเดือนนี่นอบรมเนี่ยวิธีการกับรมสุภาคือให้ให้คนที่บารมีอบรมนีซึ่งก็ ก็เป็นคนที่าคนทีวามมีฐานะนี่ก็เหมือนกัทุกท่านที่นี่วิธีการก็คือว่าให้ไปห้าที่นีไม่ได้ไม่ได้เป็นห้างเดินห้างดังนคือไปอบลมต่างตัวที่ที่ต้องความรก็บอกให้ไปเที่ยวห้างเทสโก้โลตัสนะสชั่วโมงแล้วชั่วโมงครึ่งแต่มีข้อห้ามว่าห้ามซื้อห้ามซื้ออะไรทั้งสิ้น และให้ไปดูดูละแช่ด้วยตรงไหนที่ชอบเนี่ยให้ดูอยู่นา น, านๆและแช่ไอหาเทสโกโลตัสนี่สำหรับสําหรับหลายคนมเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องไม้ไธรรมดามากเลยถ้าไป like Korea, ไอะไรเอนคเรียันนี้เคยว่าไปอย่างหรือย่างสยาพลรากอนนะเทสโกโลตนันี่หลายคนก็บอกโอจิบจอยแต่พอไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็น ง, งานโอ้โหอยากได้อย่างโน้น อ, อย่างนี้ทั้งที่ในบ้านมันก็มีเยอะแยะ แต่ก็ยังอยากซื้ อ, อยากอยากได้แต่เริ่มเห็นเลยว่าเห็นความอยากถามว่าทําไมถึงเห็นความอยากก็เพราะมันมีข้อห้ามว่าห้ามซื้อถ้าไม่มีข้อห้ามตรงนี้นะมันก็ไปตามความอยากก็ไม่เห็นความอยากแต่เนื่องจากมีข้อห้ามมันก็เลยเกิดอาการอึดอัดขึ้นม า, เรา ม, เ, รามเรามีการบ้านไปว่าเนะมื่อไปห้ามเพิ่ยอะขอให้สังเกตใจตัวเอง สังเกตใจตัวเองด้วยหัวใจได้นเร็วนะหรือว่าน้ำลายไหลได้ผ่านไรติ น, นะนเส้นนะที่นันหีแหลายๆคนก็ผ่านไรตินคือเขาเขาบอกว่าเขาเขาได้สังเกตเห็นเลยความยามเกิดขึ้นชัดมากซึ่งปกติแล้วไปเที่ยวห้ามือีกี่ครั้งก็เคยเห็น เพราะว่าพอมันอยากก็ทำตามความอยากคือซื้อแต่พอมันมีแรงต้านขึ้นมานมันก็เห็นเลยเนะมันก็คงเหมือนกับสายไฟนสายไฟถ้าเราที่วางอยู่เนี่ยสายไฟที่สมมติเราเราเราเราถอดเอาเราปอกเอาเ อ, อาตัวตัวพลาสติกออกให้เหลือแต่ทองแดงลวดทองแดงล้วน โลหะแดงที่เราเห็นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีไฟฟ้าไหลผ่านป่าแต่เมื่อไรกตามที่ลวดนั้นเนี่ยมันมีความต้านทานต่อไฟฟ้าเหมือนกับไส้ไฟฟ้ามันก็ใส้มันก็หลอดไฟฟ้าที่เป็นที่เป็นหลอดทรงกลมเนี่ยสลายก่อนทำไมมันมีแสงแดดทำไมมัมีแสงเกิดขึ้นนะเพราะว่า ใส่ไฟฟ้าเนี่ยหรือขดลวดเนี่ยมันมีแรงต้านทานพอมันมีแรงต้านทานต่อไฟฟ้าเนี่ยความสว่างก็เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าโอมันมีไฟฟ้าอไรหลผ่านแต่ถ้าลวดหรือขดนั่นเนี่ยมันไม่มีแรงต้านนะฮะเราไม่รู้หรอกครับว่าลวดนั้นมีไฟฟ้าหรือเปล่าไอ้ความยากก็เหมือนกันนะฮะถ้ามันไม่มีแรงต้านไม่เห็นนะะ แต่พอมีแลนต้ามันไม่ซื้อไม่ได้โอ้มันเห็นเลยความอยากเกิดขึ้นแล้วก็ได้เริ่มรู้ตัวโอ้โอนะตอนที่เรามีเยอะแล้วแต่เราก็ยังอยากได้อีกนันเองเ่ ม, นะมาคิดว่าตรงนี้นะฮะเรื่องของเรื่องของการที่เรามามาวางใจให้ถูกวางใจให้เป็นสำคัญนะในทาพุทธศาสนานี่ การมันจะให้เป็นสมืนั่นก็คือการที่เราไม่ไปไม่ไปผวองกับอดีตหรือไม่ไปไม่ไปไม่ไปกังวลกับอดีตไม่ไปโฟกกับอดีตหรือไม่ไปกังวลกับอนาคตสิ่งที่เรายังไม่มีเราก็หรือยังหรือยังหรือยังไปไม่ถึงเราก็ไม่ทุก สิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่บดีหรือร้ายเราก็ไม่ไม่ไปหมกมุ่นกับมั น, มนในเวลาเดินธรรมยาตรานะวันเดิน10กิโล13กิโลซึ่งก็ไม่ได้มากนะแต่เดินไปแล้วก็เหนื่อยวิธีการในการเดินทางไกลคือว่าที่อตวตบาลนนะหรื อ, อกทกับนักเยงคือว่า อย่าไปสนใจว่าเมื่อไหร่จะถึงอย่าไปกังวลกับทางข้างหน้าว่ามันอยู่ไ ก, กลไหมให้อยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวในแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เดินหรือจะนับก้าวดูก็ได้ทางมันจะไกลแค่ไหนจะไปสนใจเนะพราะถ้าไปสนใจเมื่อไหร่จะทุกข์ แ้าหลายคนพอได้ทำตามนะคือว่าพอมาอยู่กับปัจจุบันไม่ไปสนใจอนาคตหรือข้างหน้าให้ความเครียดน้อยลงการเดินฉันใดการดำเนินชีวิตก็ฉันนั้นถ้าถากว่าเราไปกังวลกับอนาคตรหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่เรายังไม่มีให้น้อยลง และหันมาใส่ใจกับปัจจุบันให้มากขึ้นดังนั้นเลิกก็ลดความอยากที่จะมาบอกคือหันมาชื่นชมกับสิ่งที่เรามีเป็นอยู่ให้มากขึ้นเราจะมีความสุขนะเราจะมีความทุกข์น้อยลนงะคนทุกวันนี้เนี่ยนะเราเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะเราไปอยู่กับอดีตนนเราไอยู่กับอนาคตทำอะไรก็ทํารีบลี่ เข้าใจไปอีกข้างหน้านะลรถติด ก, ก็มีความทุกขนะ์นะถ้าท้างที่รถที่เราน้าก็ขับสบายฟังเปิดเพลงไพลระอากาศก็เย็ยนสบายติดแอร์แต่ทำไมถึงทุกข์ถ้าเวลารถติดหรือว่าเวลาเจอไฟแดงเข้าในะจาาไปข้างหน้าแล้าจไปไปข้างหน้าแล้วแล้วก็ไปปรุงแต่งข้างหน้าด้วยว่า ไปช้ากว่านี้5นาทีหรือไปสายจะเกิดอะไรขึ้นมันสร้างภาพไปล่นหน้ามันก็เลยไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการที่เราไปไ ป, ไปสร้างภาพปรุงแต่งกับอดีตปรุงแต่งอ น, นาคตเมื่อบวกหรือลบนะฮะมันทําให้เราไม่ยอมรับปัจจุบันไม่ได้เช่นนะเช่นเราบอกคือ ไปสร้างภาวะไปสายไปช้านะจะไม่ได้ทำอย่างโ น, น้นจะต้องเจออย่างนี้จะเจอลาบากที่จเจอปัญหาอรบ้างนี่คือการปรุงแต่ในทางลบ ก, ก็ทำให้เราทนยอมรับปัจจุบันไม่ได้หรือปรุงแต่งในทางบวกก็ได้ว่าโอ้ถ้าไปถึงนะเร็วๆนะจะได้เห็นสิ่งสวยๆงามเช่นนะ วันนี้วันเช่นสมมุติว่าวันนี้เป็นเช้าวันเสารนะ์ต้องรีบเดินทางนะจะไปเที่ยวกันนะถ้าไปถึงที่หมายเร็วๆได้เห็นภาพที่ตกนะโอ้ก็ก็จะเป็นความสุขอย่างมากเลยแต่พอเกิดรถติดขึ้นมาหงุดหงิดกรเสรือเพราะว่าจะไม่ได้เห็นภาพที่ตก ที่ริมทริมทะเลพอไปสร้างภาพปรุงแต่งอนาคตไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยทนอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เราจะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นรถติดเราก็ไม่ยอมรับก็สับกถสายทั้งที่ไปเที่ยวนะฮะแต่ละคนเครียดเพราะว่า กลัวว่าจะาไปเที่ยวไม่สนุกสนใจก็เลยเครียด <ừ. S 1> ในเมื่อก็ในเมื่อมันเป็นวันเสาร์วันดุดนท้์จะปเป็นเที่ยดทำไม <ừ. S 1> แต่เราก็เราเราก็เครียดไม่ไดเครียดเพราะไหเครียดเพราะการไปเที่ยวไม่ได้เครียดเพราะงานเครียดเพาการไปเที่ยวแล้วเาอาที่ว่าถ้าเรายอมรับปัจจุบันให้ได้แล้วก็ท้ายที่ดยินรับปัจจุบนัน แล้แต่เวลาปัจจุบันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่นา่าหน้าที่ลงเราก็จะทนมันได้มากขึ้นแต่ถ้าบอกเราบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเกิดอาการทุรนทุนทนลายเราก็จะทุกข์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะสิ่งที่เราพูดก็ไม่มีอะไรใหม่นะฮะก็เื็นแต่ว่าให้เราได้ ได้หันมาที่ชมสิ่งที่เรามีเป็นอยู่หันมาอยู่กัปัจจุบันให้ได้ลงมากๆแ ล, แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้จักที่จะยอมรับมันตามที่มันเป็นแม้แต่เวลาเจ็บไข้มันก็จะมีความแตกต่างนะฮะระหว่างคนที่ยอมรับความเจ็บความไข้กับคนที่ไม่ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับมี่ก็จะทุรนทุลาย ก็ไดยอมรับความเจ็บความไข้ได้ก็จะสนุกเด้มาและตรงนี้นะเป็นเป็นและทีละน้อยทีละน้อยเราก็จะเห็นได้ว่าพอเรายอมรับมันนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าในในความทุกข์นั้นนะฮะในความไม่สมหวัง มันมีโชคมันมีสิ่งดีดคอยเราอยู่ในความเจ็บความป่วยมันมีโชคมันมีสิ่งดีๆคอยเราอยู่แต่เราจะไม่เห็นนะฮะถ้าเราทุร น, นทุรายแต่ถ้าเรายอมรับมันหลายคนจะบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งหลายคนบอกโชคดีที่เป็นเอดส์ หลายคนบอกว่าโชคดีที่ตกงานตกงานเป็นโชคดีไงก็ทำไม่ได้มีเวลาอยู่กับลูกทำไม่มีเวลาอยู่กับพ่อแม่แต่ก่อนไม่ค่อยมีอะไรอยู่กับพ่อแม่พ่อแต่ทำงานไม่มีเวลาทุกอย่างแต่ไม่ได้เส้นตายต้องเล่นลิ้มเื่องพ่อเรื่องแม่เป็นเรื่องที่ผัดก่อนได้ แล้วก็ตกงานเข้าโหหรือได้มืออะไรกับพ่อแม่แล้วก็เลยรู้เลยว่าโหเราประมาณนะที่เราบอกว่าการอยูกับพ่อแม่เป็นชีวิตผ่านความได้พรเอาเข้าจริงๆมันมีสิ่งต่างๆไว้แต่ที่พร้อมเที่ภาคเรากับพ่อแม่ออกจากกันได้กับลูกๆเหมือนกันก็มีสิ่งต่างๆที่สามารถแยก ท, ทาคเราจากลูกๆได้ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่สลัเวลาให้เขาวันนี้ บางทีวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสเลยก็ไดนะ้เพราะว่าใครจะรู้ว่าไม่มีใครตอบได้นะว่าชาญได้วันพรุ่งนี้อะไรจะมาก่อนเราเรามั่นใจนะมครับว่าพรุ่งนี้จะชาญไน้พรุ่งนี้จะมาก่อนไม่มีใครตอบได้ว่าชาญได้มาก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้นั่นะเนี่ยทุกวัน ทุกช่วโมงทุกนาทีขณะนี้เป็นสิส่งสคัญและเป็นสิ่งเดียวที่เป็นของเราจริงๆนะฮะวันข้างหนที่ไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่ว่มันจะมาถึงเราหรือมาถึงเร า, เร า, าเราอาจจะไม่เหมือ ก, กันได้รับรู้อย่างคนปกติก็ได้เพราะเราจะเกิดป่วยเปิดเป็นอะดับขั้นเรขึ้นมาพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เป็น ไม่ใช่เป็นของเรานะชั่วโมงข้างหน้าก็ไม่ใช่ของเราคนระพราะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้ามันแตกต่างกันมากนะ ร, ระหว่าง10โมงเช้ากับ11โมงเช้าในวันที่26ธันวาคม2567ที่พังงาและภูเกตเวลาหนึชั่วโมงต่างกันมากจนะจำได้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นระหว่าง10โมงกับ11โมงมีเกิดอะไรขึ้น มันลกมันลงมาที่พังงาภูเก็ตเอราิลามิสิบโมงสิบโมงกับสิบมงต่างอย่างไกลที่นั้นชั่วโมงข้างหน้ามันไม่ใช่ของเราแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยของเรานาทีนี้วินาทีนี้ของเรานาทีหน้าหราไม่รู้เลยจะคิดอะไรนมีใครบอกบ้างมีใครรับประกันได้ไามว่านาทีหน้ามีจะคิด จะคิดเรื่องโน้นนี้หรือว่าจะไม่คิดเลยนี่แหใครับประกันน ะ, ะว่านาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างถ้าไม่เชื่อนี่ลองนั่งสมาธิตุจะรู้เลยว่าเราตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิไม่คิดอะไรเลยนะห้าทีนะฮะพอตั้งใจแค่นี้ปุ๊บเดียวไปเท่านั้นฟุง้งเท่านั้นแต่ทำนี่ไม่รู้นะฮะแต่พอนั่งสมาธิทําใจสงบและกําหนดว่า เราจะไม่คิดนะมันจะเห็นได้ว่าเราทําไม่ได้เราไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้านี้เราจะคิดอะไรหรือเราจะไม่คิดอะไรแต่ต้องบอกว่านาทีข้างหน้าก็ไม่ใช่ของเรานาทีหรือน้าทีตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นของเราแท้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะ น, นี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ เลยจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จะเป็นที่น้อมพ่อแม่ครอบครัวคนรักสำคัญที่สุด น, นะเป็นสิ่งเดียวที่ที่เป็นของเราจริงๆเลยไปอย่างนั้นนาทีหน้าชัมม่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ของเราอาจจะแปลเป็นอื่นไปก็ได้ปัจจุบันเนี่ยถึงเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดที่ท่านรัพันในปุณหไว้เวลาปัจจุบันผู้สิ่ประเสริฐสุดไม่ใช่แค่เวลา แต่เรือเป็นทุกอย่างที่เรามีเป็นอยู่อาจารยมาก็ก็ปาล์วุฒนีก่อนนะฮะในในชั่วโมงแรกนี้หรือว่าจะเป็นโอกาสให้ทุกท่านได้ได้ซักถามหรือว่าได้แสดงความคิด ืออยู่กับปัจจุบันนี่ก็มีอยู่กับปัจจุบันก็มีความหมายหลายความหมายแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ชัดเจนอันหนึงคือว่าไม่ว่าเราเราทำอะไรก็ตามเนี่ยให้ใจเราอยู่กับสิ่งนั้นนะฮชขนขณะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยใจให้เราอยู่ตรงนี้ถ้าใจเราไปอยู่กับอนาคตหรือไปอยู่กับอดีต เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากจากปัจจุบันเลยใช่ไหมฮะเพะจะฟังม่รู้เรื่องหรือว่าจะไม่ได้นในสิ่งที่เราในสิ่งที่เรามาพูดเวลาลดติดเราก็อยู่กับปัจจุบันเราก็จะไม่ทุกแต่ที่เราไม่อยู่แต่เพราะเราแต่ที่เราทุกเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันคือเราไม่อยู่ตรงนี้ทุงนี่แต่เราระอยู่ที่น้าว่าถ้าไม่ถึงจะเกิดอะไรขึ้น ไปอยู่ข้างหน้าวเมื่อไรจะถึง <ion> ทำงานถ้าเราทำงานที eh? away, ่ไม่ต้องไม่ต้องวลว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเราก็จะทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะจะเกิดสมาธิตามมาซึ่งทำให้เาเกิดความเพลิดเพลินได้เนีเพลินนีเพลินพัฒนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเราอยู่กปัจจุบันและเราไม่วอกลากไปสู่อดีตหรืออนาคต ทำแล้วก็ตามนี่ยถ้าเราทําด้วยความด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันนะีมันความเกลือนจะเกิดขึ้งงนง่ายรวมทั้งการเรียนหนังสือด้วยนะแต่อยู่กับปัจจุบันไม่ได้นการติดี่ดกับปัจจุบันนะไม่ใช่อยู่ปัจจุบันเน่ยเป็นความยึดติดกับปัจจุบันอนะันนั้นมันต่างกันแต่บางทีการยอมรับปัจจุบันเนะช่นเราป่วย์เรา ก, ก็ยอมรับว่าเราโกรยไปแล้วนะฮะเออเราก็ไม่ต้องทุรนทุลายว่า เพเนี่ยนี่เพนี่คือความจริงนะจะไปโทษตัวรัฐบาลต้องเป็นชั้นหรือว่าไม่น่าเลยถ้าชั้นไม่ทำอย่างนี้หรือว่าถ้าก็ทํากับชันอย่างนี้อย่างนี้ชั้นคงไม่ป่วยนะการตีโควิดตีพายเหล่านี้มันที่ทำให้เราทุกซ้ํำสองทุกอย่างแรกคือทุกข้อความเจ็บปวดเป็นทุกทางการทุกอันที่2องคือทุกข้อความตีโควิดตีพายไม่ยอมมาแต่ถ้าเรายอมรับปัจจุบันแล้วจารุตรงนี้แล้วก็เราก็หาทางแก้ไขแทนนี้ให้ดี จะเป็ น, นะมะเรป็นอะไรก็ได้แต่ก้องหาทางแก้ไขไม่ต้องไปไปสนใจเรือว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ฉันเป็เป็นมะเร็งฉันฉันเป็นยังไงบ้างฉันมีความสุขอะไรแบบนี้ไ่าสนใจหรือไม่ลองไปกังวลข้างหน้าดูก็ได้ว่าโอแล้วถ้าเกิดฉันมะเร็งหนักกว่นี้ฉันจะทำยังไงบางคนไปหาหมอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนให้ก่อนก่อนไปหาหมอเนี่ยต้องเดินไปปกติเลยวพอเพแค่หมอบอกแค่ว่าคุณเป็นมะเร็งสุดเลย ห น, น้าที่ตัวเองนี่ก็ยังเดินไปไหนมาไหนได้แต่ทำมมัสุดนะเพราะจังแต่ข้างหานว่าถ้าฉันเป็นถ้าฉันเป็นะเนฉันจะตายแบบขบนาอะไระต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ข้างหน้าก็เลยหนักหงใจเลยเครียดนะถ้าเราอยู่ทุันจต่ไม่้ยิดกับปัจจุบันคือว่าอะไรไม่มีคำตอบแก้ไขแต่เราต้องเริ่มต้จากการยอมรับมันชก น, นะแต่โดยโดยความ แต่โดยความหมายทั่วไปเนี่ยอยู่ปฏิบัติก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นจะทำอะไรก็ตามก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นทำงานใจก็อยู่งานจะเดินใจก็เอยี่อการเดินและตรงนี้แหละที่จะทำให้เราให้ทุกเพราะพลังทุกเพราะอดีตอนาคตเป็นส่วนใหญ่คือไม่เคยปฏิบัติเป็นจริงเป็นจังเลคะเมื่ี้ตอนนันอาจารย์าชีวิตเราเหลูกทเถ้าราอยากพุ่งไปไกล ถ้าเราเลื่อนย้อนไก็เป็นผู้คนอย่างพระจางมากเราก็จะเจอเรื่องที่เราไม่สบายใจเยอะแยะตรงนี้ค่ะเราจะหาสดบนทที่ทำาอ ง, งาออกไปแต่ว่าแ ร, ราออที่จะเรไปงนในยอที่เราจะกังวลอย่เรื่องที่เราไม่สบายใจมองไม่สบายใจเลือปิดอดีตคือเราต้องแยก ว, ว่าเมื่อเรามองไปข้างหลังเนี่ยเรามองไปเพื่อที่จะหาบทเรียนบทเรียนที่เราจะไม่ไป ไม่ไปทําติดซ้ำสอง น, นะแต่ว่าเราไม่ไปจมอยู่กับมันแต่เราเรียกว่าสกัดเอาบทเรียนจากมันมาสกัดแล้วเราก็ก้าวเดินต่อไปไม่ใช่จมอยู่กับมันเจอนะฮะอันเนี้ยสับมันตายกันนะไอ้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเราเนี้ยไม่ว่าบวกหรือลบก้วแต่เป็นประโยชน์ทางนั้นล้วแตเป็นของดีเท่านั้นถ้าเราเรียนจากสกัดหรือเอาบทเรียนแม้เป็นความมืมเหลว ก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักส ก, กัดบทเรียนเราไปตมอยู่กับมันเราก็จะไม่ได้อะไรที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแม้จะเป็นสิ่งล้มเหลวมก็เป็นประโยชน์กับเราในหๆายแง่ในแง่ที่ว่าเราล้มเหลวเพราะอะไรในแง่ที่ว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้เรากล ม, มาในแง่ที่เป็นเครื่องฝึกใจให้เราอดทนเข้มแข็งไม่กลัวความล้มเหลว แต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็เป็นจมอยู่กับมันอันนั้นแหละคือปัญหาที่เราไปจมอยู่กับอดีตเราจะไปจมมันแต่เราต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชนอันนั้นอันนั้นไม่ใี่ชนิดขัดกับการกปัจจุบันนะเราเอาอดีตมาเพื่อที่จะมาทำให้ปัจจุบันของเราเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันที่ที่รู้รอบที่เจนจัก อะไรที่สคัญกว่าคํ า, า, ว า, า, ว า, าว่าจิตเพยาถามครับาจิตนะครับคําว่าสติคําว่าใ จ, จสติแลยย้วก็ใจมันมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันแล้วก็ในการจะอยู่กับปัจจุบันเต้องอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยสติด้ด้วยจิต คือจตนี่มันคือทางพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเราจะนอกจากจิตแล้วจะมีสิีเรียกว่าปัญญาด้วยนะสมาธิเนี่ยคือการฝึกจิตนะเอาเพวการจ่ายิกษาเนี่ยสีสมาธิปัญญาเสีนี้เป็นเรื่องการวาจากสมาธิเป็นเรื่องการฝึกจิต ปัญญาเปเรื่องการมองโลกนะครับวตถาสนานนี่จะแยกจิตกับปัญญาออกจากกันนะการพัฒนาติเรื่องจิตอะ จ, จิตสิกขาการพัฒนาปัญญาเรปัญญาสิกขานะทั้งจิตและปัญญาเนี่ยบวกกันแล้วกคือจนะบวกกันแล้วคือจอันนี้คือนี้คือการการ อธิบายแบามานะเพราะใจเป็นภ า, าษาไทยจิตเนภาษาบาลีนะแต่ว่าเวลาพูดกันทัวท่วไปเนี่ยงทเราก็ไม่ได้แยกหรอกเราก็คือว่าจิตกับใจเื็เดียวกันนะนสะติสติเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งของจิตจิตมีคุณสมบัติมีหลายอย่างความขยันความมีแกตัวโทสะความโลภ หรือว่าสติปัญญาเมตตาพวกนี้เนี่ยเป็นเราเรียกวเป็นคุณสมบัติของจิต เ, เป็นเครื่องุงแต่งจิตก็ได้ภาษาบาลี็เรียกวเจตสิกนะแต่ว่าบาง่าเป็นคุณสมบัติของจิตนะสติเนี่ยครนะาวนี้เนี่ยถ้าเรามีสติก็จะช่วยพัฒนาจิตของเราให้มีความสุข ให้มีปัญญาให้เป็นไปในทางที่เป็นกุศลมากขึ้นสติคือระเสถิงความรู้ตัวนะอาเสถิเสถิรแปลว่าความรูะลึกได้แต่ความระลึกได้ความรู้ตัวเนี่ยมักจะคู่กันสติหมายถึงอะไรความรู้ลึกได้หมายถึงอะไรก็เช่นดูโทรทัศน์เพลินแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่า ต้องไปทํางานแล้วนะหรือว่าได้เวลานอนแล้วนะหรือว่าได้เวลาทำกันบ้านแล้วนะอ่าเฮลิคอปเตอร์จนเพลินจนดีเวลานอนนึกขึ้นมาได้เล้ได้เวลานอนแล้วนะไอ้ความนึกขึ้นมาได้เนะี่ยเราเรียกว่าสติใช่ไหมเจ้ว่าทุกคนเนี่ยเจอเจอมีสติสตทํางานได้ประสบกับสติเนี่ยมานับครั้งในตั้วนในวันนึงเรามีความรู้สึกได้มากมาแต่ว่าสติ ที่ช่วยทำให้เรามีความสุขอยแท้จริงคือสติที่ทําให้เราเนี่ยไม่จมอยู่กับอดีตและอนาคตพอเราจมอยู่กับอดีตเนี่ยนึกขึ้นมาได้กลับมาอยู่ปัจจุบันนะกําลังนั่งกําลังขับรถอยู่นึกไปถึงเรื่องราวนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเขาด่าเราเขาว่าโกรธโมโหเสร็จแล้ ว, กลวเกิดแล้วนึกขึ้นมาได้แล้วโอ้ยยืนกำลังขับรถอยู่ สติพาใจกลับมาสู่ปัจจุบันคือการขับรถนะอันนี้ก็ปลอดภัยไหมฮะันนี้เนี่ยสติถ้ามันทำสติที่สำคัญคือสติที่ช่วยให้เรารึกได้ในทางที่กลับสู่ปัจจุบันอย่างรวนเร็วนะเศร้าโศกเสียใจจนไม่เป็นอันทำ ง, งานเสร็จแล้วก็เกิดมีสติลุกตัวขึ้นมาโอ้ นี่เลยมีงานทำต้งหลายอย่างที่เราต้องทําจะไปกังวลจะไปเสียใจกัมนามาทำไมของหายเศร้าเสียใจโทรศัพท์มือถือหายเศร้าเสียใจไม่เป็นอะไรหนรรังสือแต่เสร็จแล้วก็มีสติแล้วลุขึ้นมาไดนะ้ของหายก็หายไปแล้วจะไปเสียใจกัมนามาทําไมปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันหรือไม่ก็ปอดใจเลยว่า เ, ออเครื่องใหม่คงดีกว่าเครื่องเองก่า<ม>อะไรเงี้ย หาเป็กรีเดียนกันจะได้เครื่องมือที่ดีกว่านี่คือทำให้สังสัจากสางจากความทุกข์ในอดีตได้สติธั้มดที่นีนะแต่ในการปฏิบัติความสติจะจะเร็วกว่นี้นวัตสัจธรรมเพิ่มนะเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่กับปัจจุบันแต่จะเป็นิกับปัจจุบันความแตกตางของการอยู่กับการปิติ คืออยู่ก็ไปก็คือยอมรับยอมรับปัจจุบันยอมรับยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันเห็นคุณค่าสิ่งที่มีใ น, ในปัจจุบนันแต่ก็ระลึกว่าปัจจุบันนั้นไม่เที่ยมมันไม่เชี่ยมมแปเปลี่ยนเพราะเราก็ไม่ยึดมันแต่เราก็ยอมรับมันนะเช่นอย่างที่อาจามาบอกว่าคือป่วยหรือว่าของหายเจองานหนักเราไม่ตีโพดีตาเรายอมรับว่านี่คือธรรมดาของชีวิต แต่เราก็รู้ว่ามันจะมีการเปลีป่ยนแปลหรือว่ า, เ, าเรามีความสุขกับปัจจุบันเราไปดูหนังเราไปเที่ยวเที่ยวทะเลเรามีความสุขใช่บางคนไม่มีความสุขกับกับการเที่ยวทะเลแล้วก็จไปอยู่อันดีไปคิดถึงลูกไปคิดถึงบ้านใช่เที่ยวขณะที่อยู่อยู่ใน อยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามเนี่ยจะไม่มีความสุขเข า, าจ่าจไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมดู่ปดูไปคือเออมันมีมีสิ่งสวยงามให้ให้เราเห็นภามที่กาลังขึ้นนะหรือว่าทะเลที่กาลังกา ล, ลังเขียวครามกำลังฟ้าคลามเนี่ยเรามีความสุขแต่เราไม่ยึดมั่งเพราะเรารู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงกินอาหารอร่อยนะเราก็รู้ว่ามันอร่อย เราไม่หลัาที่เรากินเราก็ไม่ใจร้อไม่คิดเรื่องน้ำเรื่องการเราก็รับรสรสชาติมันอร่อยแล้วก็รู้ว่าอร่แต่เราก็ไม่ยึดมันถ้าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราไม่เราไม่เราไม่คิดจะไปผักสายมันในกรณีที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นเจ็บป่วยล้มเหลวล้มนะเราไม่คิดจะผักสายมันเรายอมนัมันแต่ขณะเดียวกันเราไม่ก็ไม่คิดจะครอบครองยึดติดมัน ในกรณีที่มันเป็นความรู้สึกฝ่ายบวกเขาชมเราเราปลื้แต่เราก็รู้ว่ามันชั่วคราวมีคนเขาบอกว่าคําชมนี่ให้ให้ถือให้ปฏิบัติกรรมมันให้ถือว่ามันมืกมนกำลังฝรั่งถึงเคี่ยวหน้านเราคืนะถ้าเราคืนเราก็โง่เพาะอกว่ฝั่งคืนไปไม่ได้ไม่ว่าบวรบือลบเรายอมเราเราอยู่กับมันยอมรับมันแต่ไม่ผัดสายไม่ใส่หาไม่ยึดครอง ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้เราเคลื่อนไปข้างหน้าได้อยา่างได้อย่างรับลืมเดี๋ยวถ้าถ้าไม่มีอะไรไหมฮะ ถ้าไ ม, ม่แล้วจะให้พักสักหน่อยเล็กเ้อยแล้วมันมั น, นั่งมาอยู่กับปัจจุบันทดลองอยู่กับปัจจุบันด้วยด้วยใจของเราันนี้เาขาห้องน้ำก่อนแลเดี๋ยวอีสักสินาทีาทีกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะามาลองนั่งสมาธิแบ บ, แบบง่ายๆหรือเจริญสติแบบง่ายๆพักพักพักึ่งเวลาก่อนดียวรนาทีนะค